คิดว่าจะจําปัญหาได้ไหมว่าปฏิบัติเบื้องต้นให้เป็นพระอรหันเนี่ยนะนึกแต่ปัญหาก็ยังนึกไม่ออกเพราะอะไรเพราะใจนี่มันถูกอารมณ์นั้นอ่ะครอบงําเสร็จแล้วเพราะมีแต่อารมมนาธิปติของโลภหมดเลยเนีนะอนนโลภจึงอู้ครอบงําท่วมทับก็เลยคิดว่าเออไอเรื่องเที่ยวเอาไว้ก่อนเถอะนะเราจะไปสํานักของพระพุทธเจ้าก่อนไปทูลถามปัญหานี้พอเราเรียนปัญหานี้ฟังทำปัญหานี้จบแล้วค่อยไปเที่ยวก็ได้อยังไงนะ แล้วก็หายแวบจากคอช้างมาปรากฏในสานักของพระผู้มีพระภาคเจ้าฝ่ายองครักษ์ล่ะทาวมหาราชทั้งสี่ก็ยืนอารักษ์ขาอยู่ตรงที่ประทับหมู่ทวยเทพผู้บำเรอพวกนางฟ้อนช้างเอราวัณ น, นาคราชพวกนั้นก็ยืนเฝ้าอยู่ตามเดิมนะเพราะพระราชาหายไปแวบหนึ่งท้าสักกะที่นี้เนื่องจากว่าเทวดาเนี่ยรออยู่เทวดาสองชั้นเนี่ยรออยู่ใช่ไหมต้องรีบมากเลยนะอะไรรีบ กลับมาที่ประตูโดยเร็วนะทีนี้ก็มาแล้วก็มาถึงก็ถามปัญหาใช่ไหมถามปัญหาทบทวนว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อข้อปฏิบัติเบื้องต้นเนี่ยด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ภิกษุชื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิน้นตัญหาคือมีใจน้อมไปสู่นิพพานเนี่ยนะมีความสำเร็จล่วงส่วนปลอดมีความปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบล่วงส่วน เป็นพรหมจรีล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบว่าดูก่อนจอมเทพภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าทมทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นสัพเพธรร ม, มานาลังอภินิเวสายะเนี่ยนะทำทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่น ถ้าข้อนี้ภิกษุได้สดับแล้วหมายความว่าฟังมาแล้วว่าสรุปฟังมาแล้วบอกว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นเนี่ยนะภิกษุนั้นย่อมทราบชัดทำทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่งคือคือปกติเนี่ยนะเราทั้งหลายอาจจะได้ยินคําว่าอย่ายึดมั่นอย่าถือมั่นแต่แล้วว่าเมื่อฟังคํานี้ไปแล้วเออใช่เนาะเราอย่าไปยึดอย่าไปถืออะไรมากมายแต่แต่แ ต, แต่แล้วทําไงต่อไปอะ่ะเอาเมื่อทุกอย่างไม่ให้ยึดถือใช่ไหม อย่าไปยึดอย่าไปถือเอาเช่นอย่าไปยึดว่าเราว่าของเราว่าอัตตาของเราเอ๊ะทำไงดีคะนี้ใชอย่างรูปก็อย่ายึดถือรูปว่าเราว่าของเราว่าอัตตาของเราเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแต่ละอย่างก็บอกว่าอย่ายึดถือว่าเราว่าของเราว่าอัตตาของเราแล้วตกลงทําไงเขบอกว่าคนที่ฟังจบเนี่ยต้องรู้ชัดทำทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่งพอฟังทำจบปั๊บถือว่าอะไรเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นสาระเลย ถือเอาปัญญาเนี่ยเป็นสาระเนี่ยนะคือทุกสิ่งไม่ควรยึดถือแต่ปัญญานี่คือสาระจะต้องเจริญปัญญาให้งอกงามเพราะฉะนั้นครั้นทราบชัดทำทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วต้องปริญญากําหนดรอบรู้ธรรมทั้งปวงนั่นนะคือรู้ยิ่งว่าปัญญาเนี่ยเป็นสาระแล้วล่ะนี่นะพอรู้ว่าปัญญาเป็นสาระแล้วปัญญานั้นทำมาทำกิจอะไรทํากิจรู้ธรรม ทำกิจกําหนดรอบรูปรปร้ปริญญาเนี่ยนะปริญญาเนี่ยนะทำกิจไปกําหนดรอบรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกําหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเมื่อทําปริญญาเสร็จแล้วเนี่ยนะเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีหรืออทุกข์มสุขหมายถึงอุเบกขาก็ดีคือเมื่อฟังว่าอย่ายึดมั่นหนึ่งสองเมื่อฟังอย่างนั้นปั๊บเนี่ยรู้แล้วว่าต้องรู้ทุกอย่างด้วยปัญญา เอาล้ปัญญาไปรู้อะไรรู้ว่าควรกําหนดรอบรู้เมื่อกําหนดรอบรู้เนี่ยได้สวยเวทนาเช่นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาเสร็จแล้วก็เจริญอนุปัสนาในเวทนานั้นแหละเจริญอนิจจานุปัสนาในทุกขเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาคือพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงเจริญนิพพานุปัสสนาในสุขเวทนาทุกขเวทนาและ ทุกขมสุขเวทนานะแปลว่าพิจารณาเห็นความเบื่อหน่ายก็คือนิพิทานุปัสสนาพิจารณาเห็นความดับคือนิโรธานุปัสสนาเนี่ยนะในสุขเวทนาทุกขเวทนาและอุเบกขาเวทนาพิจารณาเห็นความสละคืนคือปฏินิสักานุปัสสนาในเวทนาทั้งหลายนั้นถ้าเสวยเวทนาตรงนี้บอกยกอนุปัสสนา4ี่ข้อขึ้นมาหนึ่งเจริญอนิจานุปัสสนาสองนิพิทาสามนิโรธาสี่ ปฏินิสัก ข, ขานุปัสนาเท่ากับว่าเจริญอนุปัสนาเจดในเวทนาสามเมื่อพิจารณาเห็นดังนั้นคือเจริญอนุปัสนาเจอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะย่อมไม่ยึดมั่นด้วยตัณหาอุปาทานในสิ่งอะไรอะไรในโลกคือถ้าเจริญได้อย่างนั้นจริงก็ไม่ยึดถือด้วยตัณหาทิฏฐิในขันห้าแล้วเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งด้วยตัณหาไม่หวาดผวาด้วยทิฏฐิ เมื่อไม่สะดุ้งหวาดวันด้วยตัณหาทิทฐิย่อมปรินิพานคือทำกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีนะฟังฟังแล้วก็รู้ชัดรู้ชัดเสร็จแล้วก็ทำปริญญาทำปริญญาก็เจริญอนุปัสนาแล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกาหนัดเนี่ยนะถ้าปฏิบัติตามนี้แล เรียกว่ากล่าวโดยย่อข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แลภิสษุชื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นแห่งตันหามีความสำเร็จล่วงส่วนมีความปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบล่วงส่วนเป็นพรหมจรีล่วงส่วนเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ลำดับนั้นเท้าสักกะจอมเทพชื่นชมยินดีพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทําประทักษิณและหายไปในที่นั้นเองมารีบมากเลยใช่ไหมได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะัมารีบไปรีบขนาดนั้นน่ยไงร้อนเหลือเกินเนี่ยไงเรียกว่าร่างกายมันฮอ น, อนใจมัน้อนมาดูคําอธิบายในอัตถกาธาน่าหนึ่งร้ยห้าสิบเจ็เนี่ยนะ ทบทวนถ้าดูนะดูว่าคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังมาแล้วว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นมาจากบาลีว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะเนี่ยนะอภินิเวสายะเนี่ยแปลว่าการยึดถือนาลังนี่แปลว่าไม่สมควรสัพเพธรรมาแปลว่ารำทั้งปวงนาลังไม่สมควรอภินิเวสายะที่จะเข้าไปยึดถือ ถามว่าไอ้ทำทั้งปวงอ่ะเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของศั ก, กยะสัพภะหมายถึงขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหมายถึงอายตนาสิองตาสีหูเสียงจมูกกลิ่นลิ้นรสกายโพธะพระใจธรรมรมท่าสปตารูปจักรคูวิญญาณหูเสียงโสตะวิญญาณจมูกกลิ่นคานะวิญญาณลิ้นรสชิวหาวิญญาณกายโพธะพระ กายวิญญาณม โ, มโนมโนธาตุธรรมธาตุและก็มโนวิญญาณธาตุมันทั้ง18บแปเนี่ยน ะ, ะขันห้ายตนะ12บสาสิบแชื่อว่าธรรมทั้งปวงธรรมทั้งปวงเนี่ยไม่ควรยึดถือที่ชาบอกว่าไม่สมควรเนี่ยไม่ควรคือไม่เรียนไม่ปรารถนาะไม่ประกอบไว้ด้วยความยึดมั่นด้วยอํานาจตันหาและทิฏฐิถามว่าเพราะเหตุใดทาไมจึงไม่ควรประกอบใจไว้กับด้วยอํานาจตันหาทิฏฐิใน ธรรมะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะทั้งทั้งห้าเหล่านี้น่าจะทไมอะ่ะน่าจะสอนให้เจริญตัณหาทิฏฐิในธรรมะทั้ง35 35ห้าม้าหมวดเหล่านี้ใช่ไหมขันห้ายตนะ12บสองธาตุสิอ่ะทำไมจึงไม่สอนให้ไปฝักฝ่ายเอาจิตใจไปหมกมุ่นครุ่นคิดยึดถือกลืนกินไว้ด้วยอำนาจตัณหาล่าทำไมเนอะก็เพราะว่าขันทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะ ขันทั้งห้าอายตนาสิบสองท่าสิบแปดท่าเราจะไปยึดถือว่าเที่ยงแล้วมันจะเที่ยงอย่างเรายึดไหมถ้าจะยึดมันก็คงยึดว่าขอให้เที่ยงแล้วรูปเที่ยงไม่หรอรูปก็ไม่เที่ยงแล้วแล้วเราไปยึดว่าเที่ยงเราไม่โง่เหรอใช่ไหมถ้าเราไปยึดถือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเที่ยงเมื่อขันห้ามันไม่เที่ยงเราก็โง่สิเพราะเรายึดไม่จริงอะ่ะแล้วก็บอกว่า ตาหูรู้ตากับสีหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโพธาภัสใจกับธรรมรมเนี่ยถ้าเราไปยึดถือว่ามันเที่ยงแล้วมันไม่เที่ยงล่ะเราควรจะยึดตามความเป็นจริงไหมวิปัสสนาก็ยึดตัณหาก็ยึดถามว่าวิปัสสนากับตัณหาต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าตัณหามันยึดไม่จริงเช่นยึดสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าขอให้มันเที่ยงมันยึดว่าน่าจะเที่ยงน่าจะสุขน่าจะอัตตาแต่วิปัสสนายึดว่าไม่เที่ยง วิปัสสนายึดว่าเป็นทุกข์วิปัสสนายึดว่าเป็นอนัตตาวิปัสสนานั้นยึดตามความเป็นจริง Greek, เพราะฉะนั้นเพราะถึงเราจะไปยึดว่าเที่ยงมันก็ไม่ย อ, อมเที่ยงให้เราล้อใช่ไหมหยุดว่าขอรูปจงเที่ยงขอเวทนาจงเที่ยงขอสัญญาสังขารวิญญาณจงเที่ยงมันจะเที่ยงให้ไหมไม่ยืดว่าขอให้ตาหูจหมูกลิ้นกายใจจงเที่ยงแล้วมันเที่ยงให้ไหม ยึดว่าเนี่ยรูปเสียงกลิยนรสโพธิภพธรรมรมณทั้งหลายจงเที่ยงแล้วมันจะเที่ยงให้ไหมไม่เที่ยงอายุเถื่อให้จักภูวิญญาณโสตะคารนาชิวหากายะมนโนวิญญาณเที่ยงแล้วมันจะเที่ยงให้ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะไปยึดว่ามันเที่ยงทําไมใช่ไหมก็เมื่อมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงอนะสังขารธรรมทั้งปวงเหล่านี้เมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะไปยึดว่าเที่ยงทําไมจริงจริงๆแล้วเราคิดว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงเออเที่ยง โดยมากนะเราคิดว่าเที่ยงโอ้ยอีกนานจริงๆแล้วโดยมากเนี่ยนะนะเราคิดว่าเที่ยงเอาถามว่าทําไมเราจึงคิดว่าเที่ยงก็ลองดูหน้าพวกเรากันเองเนี่ยเราจะคิดนะอู้อันนิจาวาตสังขาราคิดอย่างนี้บ่อยไหมเอาแทบไม่ได้คิดเลยน้อยอ่หรือแต่บางคนก็อาจจะคิดอะนะแต่ว่าโดยมากแล้วไม่ค่อยคิดอ่นะเอาแล้วสมมุติอย่าคิดง่ายสองกระจกปับ๊บอันนิจาราตสังขาราสองใบ่อยไหมเนี่ยนะ อุปัธยธรรมมิโ น, โนเนี่ยนะครับเรียกว่าหยิบยกแขนขึ้นมาปั๊บโอ้อา น, นิจจาวัตสังขาราเออแขนเราก็ยังดูดีเป็นตอนเนี้ยถ้าอย่างงี้ก็อู้อีกนันเนี่ยนะอบรมอินทรีย์ไปต่อไปเถอะเนี่ยนะและอีกต่อไปนะเขบอกว่าขันห้าจะยึดว่าเป็นสุขมันก็เป็นทุกข์เท่านั้นและเนี่ยนะจะยึดว่าเป็นสุขมันก็เป็นทุกข์เช่นจะยึดว่าขอให้ขันเนี่ยเป็นสุข มันก็ทุกเพราะเพราะอะไรเพราะขันาธาตุอายตนะเนี่ยนะเพราะเป็นเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับชาติชรา ม, มรณะโสกาะปริเทวะทุกโทมณัตและอุปาญาเราจะไปยึดให้มันสุกแล้วมันจะสุกอย่างเรายึดได้หรือไม่ได้นี้ต่อไปเมื่อจะยึดว่าเป็นอัตตาความเป็นอนัตตาเท่านั้นแหละจึง ปรากฏเช่นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยเป็นสิ่งนั้นแหละจึงเป็นอนัตตาพ้นจะไปยึดให้มันเป็นอัตตามันเป็นไปได้ไหมเพราะนั้นอัตตก็ต้องเที่ยงสิเอออัตตก็ต้องสุขสินี้มันก็ไม่เที่ยงด้วยมันก็เป็นทุกข์ด้วยแล้วมันเอาอัตตามาจากไหนเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรไปยึดเลยว่าเป็นของเที่ยงไม่ควรไปยึดเลยว่าเป็นของสุขไม่ควรไปยึดเลยว่าเป็น อัตตาเพราะฉะนั้นขันห้าไม่ควรยึดถือว่าเที่ยงสุขงามและอัตตาอายตนาสิก็ไม่ควรยึดถือว่าเที่ยงสุขอัตตาท่าสิบแก็ไม่ควรยึดเลยว่าเที่ยงสุขและอัตตาเนี่ยนะตอนฟังธรรมเนี่ยบอกโอ้ไม่เชื่อไม่ยึดหรอกนั่นะเชอพอพอแวบเนี่ยนะพอเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนมิติปั๊บเนี่ยนะเปลี่ยนมิติจากคําสอนเมื่อไรเนี่ยนะเอาไม่เชื่อเขบอกว่าเปลี่ยนมิติจากคําสอนไปเห็นรถมีรอยขวดนิดเดียวเนี่ยนะ โอ้ยแค่นั้นแหละเปลี่ยนมิติกระทันหันก็หลายๆอย่างมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะเพราะว่าคือคือจริงๆแล้วเราเข้าใจแต่ความเข้าใจเราไม่กว้างขวางหรือเรียกว่าไม่แพร่หลายเพราะอะไรเพราะไม่เคยเพราะเราไม่คิดว่าความเข้าใจอันนี้เป็นกรรมฐานที่เราจะต้องเจริญคือเราไม่ค่อยคิดว่าไอความรู้ตัวนี้เป็นภาเวตปะธรรมที่เราต้องทำให้บ่อยทำให้มากต้องทำให้เติบโตที่สุด อันหและอีกอันหนึ่งเราก็ไม่คิดว่าไอความรู้ตัวนี้ช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้การมณสิการว่าไม่เที่ยงเนี่ยช่วยให้เราพ้นทุกข์นะช่วยให้บรรลุพระนิพพานที่เป็นความสุขเป็นต้นเนี่ยเมื่อไม่คิดอย่างนั้นแล้วจะเจริญไหมมันก็ยากอยู่แล้วล่ะอ่ะทีนี้ย้อนกลับมาว่าเมื่อขันายตนะธาตุเนี่ยนะความเป็นจริงมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาจึงไม่ควรไปยึดว่ามันเที่ยงมันสุขมันเป็น อตาอะไรหรอกทีนี้เมื่อยึดอย่างนี้แล้วเนี่ยนะอภิชานาติย่อมทราบชัดด้วยยาตะปริญญาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเฉพาะตรงนี้นะยาตะปริญญานี่คืออ น, นิจจทุกขังอนัตตาเลยนะให้รู้ใส่ใจไว้ยอย่างนี้เถอะการใส่ใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานี่แหละคือสาระนี่แหละคือความรู้พิเศษไม่ใช่เป็นความรู้ธรรมดาเพราะความรู้ธรรมดาทั่วทไปเนี่ยจะใส่ใจไหมว่า ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาไม่ใส่ใจอย่างนั้นหรอกบทว่าปริชานาติปริเนี่ยนะแปลว่ารอบชานะแปลว่ารู้เนี่ยนะรู้รอบแค่ว่ากำหนดรู้รอบด้วยตีระณะปริญญาเหมือนอย่างนั้นคือเหมือนตีระณะใขคร้ครวนไว้เสมอเือว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็น อนัตตาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาหูตากับสีหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้ น, นกับรสกายกับโพธะพระใจกับธรรมรมไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะตาสีจักขูวิญญาณหูเสียงโสตวิญญาณจมูกกลิ่นขานะวิญญาณลิ้นรสชิวหาวิญญาณกายโพธะพระมโนวิญญาณมโนธาตุธรรมรมกายวิญญาณเนี่ยนะมโนธาตุ ทำธรรมธาตุแล้วก็มโนวิญญาณธาตุไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นรู้อย่างนี้ให้ครวญแบบนี้เถอะรู้ยิ่งก็ขอให้มันรู้ยิ่งแบบนี้เนี่ยอภิชาาติรู้ยิ่งอ่ะก็ขอให้รู้ยิ่งไว้เถอะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาถ้าจะสัญญากันไว้ถ้าจะมั่นหมายกันไว้ก็มั่นหมายไว้เถอะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาถ้าจะรู้รอบก็รู้เถอะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอันนะ พอฟังปั๊บรู้แล้วใช่หว่าจะต้องอภิชานาตินี่เป็นชื่อของปัญญานะปริชานาติก็เป็นชื่อของปัญญาเมื่อฟังว่าขันอายตนะธาตุไม่เที่ยงเจริญอะไรเจริญปัญญาเนี่ยนะเจริญสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะ